ท่านภผู้ปฏิบัติธรรมทุกกท่านโดยเฉพาะพบอจอและเ่าะกลมโยธามาไทยในอุมาโกอฏิกาทุกกท่านได้จ้างใจมาบำเพ็ญกุศลร้างใจมาสร้างบุญให้เกิดวัฒนาสร้างผล ง, งานให้แก่ชีวิต เพื่อความไม่ลงเหลวของชีวิตนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าคนไม่มีบุญไรวสนาแล้วส่วนมากชีวิตจะลงเหลวทำให้เราคนนั้นไม่สบายใจคนที่มีความสำเร็จมีจิตเป็นกุศลแล้วทำให้คนเขาเหล่านั่นสบาย อ, อกสบายใจ มันมีความหมายแต่เราก็ไม่สร้างความสบายใจจากตระการใดวันนี้จะพูดหลักเหตุผลของการสร้างวัชนาให้ท่านฟังถึงเรื่องกฎแห่งกรรมในวันนี้กฎแห่งกรรมบางคนไม่ทราบว่าการนั้นมีจริงประการใดและผลการมนั้นจะส่งให้แก่เราชนิดไหน และเราจะได้รับผลเินกรรมประการใดก็อขอท่านโปรดตั้งใจฟังศึกไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุกด้วยกรรมทุกท่าน <c oughs> วันนี้อรตมาด้วยโอกาสไปบรรยายที่บริษัทกะจกสยามการเรียนจำกัด อุษาการเคลียสินเมนไทยอำเภอห น, นองแคร์จังหวัดสระบุรีที่ดูใจมากก็เนื่องจากว่าผู้จัด ก, การส่วนการบุคคลเป็นอิสลามมีศรัทธามานิมนตสมาไปพูพร้อมกับกรรมาการผู้จัด ก, การใหญ่ที่เขาสร้างมาได้สามปี ลงทุนไปตองหลายสี่พันหรือห้าพันล้านสามปีนี้ก็ได้ทุนได้กำไรแล้วหล่อสร้างโรงงานสร้างกระจกทำกระจกของบริษัทสยามกาเดน เป็นเครือข่ายของเครือปูนชเมนไทยอาตมาคึกบ่เป็นลัทธิษาสิกล่าวเป็นของเอกชนโดยเฉพาะเข้าหุ้นกันโดยสับทั้งปูนชเมนไทยก็ได้ทราบมาว่าในกิจการที่หกท่านได้หุ้นครั้งแรกลงทุนร่วมก่อกรสร้างโรงปูนชเมนไทยเมื่อสมัยกิชการที่หกเขาไล่ฟังอย่างนั้น แต่การฟังธรรมะก็ให้พูดบรรยายถึงเรื่องวันขึ้นปีใหม่คติธรรมในการขึ้นปีใหม่แล้วก็ถวายเครื่งการกันตามทีนควรแต่ชาวพุทธมีน้อยสรรมการผูจร้จัดการคนบุคคลคุกมณ์เสนโสดิกก็เป็นชาวอิสลามด้วยผู้จมามณีมณ์ ถึงสามครั้งอาตมาก็ไม่รับก็พยายามมาแค่น ม, มีโมนตายดาบอก ม, มีโมนพูดไม่เลื่องให้เกิดความสามัคคีความดีขึ้นที่ใหม่พวก็นางฟังเขเรียบร้อยก็คนมันต้องเขา้ากะกันเขากะทำงานถึงยี่ยสี่ชั่วโมงที่สี่นาฬิกา ที่บริษัทนั้นในวันนี้เราดีใจเขาเป็นอิสลามจะทางที่ถือสื่อทุกเพียนวิชาพนาันใจอยู่ในลัตนาสินเองเลยรับสิงเสียงดังเลยแต่คงชาวพูธไม่รับสิงเสียงดังเป็นเจ้าของแ ท, ท้รับสินหมึกห ม, มึกหมึดเลยก็ได้สินหมึกหมึดไป อย่างนั้นไชยามว่าดั ง, รงพระปายมานิมณ์เนี่ยเรก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาเป็นอิสลามไปส่าที่ไ่นคนงานต่างๆบอกหลงพอ่อจ้างานายผมไปอิสลามเราเป็นประชาพิธีวันนี้ด้วยสู่ผูกเชือนกุะชาพยาตายและก็เริ่มตั้งนโมพร้อมกับและรัตนาสีนด้วยเต้นด้วย มายังพันเตวีสุงวิสุงหงลักพณาฐานะคนไทยชาวพุทธายมางคนแก่และยังละธนาสินไม่เตินพอเสร็จแล้วรับสิ้นเสร็จแล้วเลวงพ่อครับรัธนาธรรมด้วยมั้ยนี่อิสลาอิสลาถ้าเหตุใดเขาจะมาเลื่อนใส่เราก็เนื่องจากกดเนี่ยทั้งศีรษะทั้งกลาง เขาบอกว่าเลยแหละเขาได้รับเวรกรรมมาเนี่ยสนองงานให้เขาก็จ่อจะมีศรัทธาบอกยังไงหลวงพอ่อในมูลไปสองครั้งบอกขอรับครั้งเดียวอีกครั้งหนึ่งคงรับไม่ได้รับไม่ได้ก็ ง, งานเรามีมากงานมากมายหลายประการเดี๋ยวพรุ่งนี้ทหารจำยกกองพลนั่ะมาฟังคำ จะมาช่วยพัฒนาวัดเบื่จะเดินจากลพบรีไม่ขึดด้นรถให้ใช้ฝมือโดยการอดทนเหมือนอย่างคนปูหญ้าตาช่วของเราทำไร้ไขนากำลังวังชาดีจังไม่ไมีไม่มีโรค บ, บริหารร่างกายแข้งแรงเป็นส้นวันนี้ตะมาเท่าที่สังเกตเขาฟังธรรม อิสลามตั้งใจฟังเป็นที่เลยแต่ชาวพุทธคุยกันหยู่ขางหลังองหาเป็นเชลามมันคริสต์มันคาทอลิกบ้างในบริษัทนั้นมีทั้งพุทธมีทั้งคริสมีทั้งอิสลามเขาก็ตั้งใจฟังดีตั้งแต่ต้นก็เนื่องจากเขายอมรับความจริงของกฎแห่งกรรมสองคนมาคุยก็กมาเป็นผู้จัดจการเหมือนกันแต่ผู้จัดจการหลาฝ่าย มีหลายฝ่ายด้วยกันเขาบอกผมยอมรับกฎแห่งกรรมครับผมก็เป็นอิสลามพูนี้ก็เป็นคริสมาตั้งแต่ปู่ยาตายายของเขาเขาก็จำเป็นกันนะถือื่อเรื่องมาจนแบบนี้น่ะแล้วเขามาฟังการบรรยายของเราแล้วก็อ่านคดีกฎแห่งกรรมเขาก็ไปปฏิบัติตาม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 ร, ร, ริยนาภูนิศิวกรกลางโรงงานแล้วก็เส่งทางวิทยาศาสตร์ตําเดดต่างต่างประเทศมาบอกหลงพ่อครับผมไม่เคยเชื่อโกธรกรรมเลยทางหลักศากสัตวนาพุธสอนว่าทำดีได้ดีฉัน้นผู้ได้ชั่วทำกรรมก็ได้รับกรรม ทำดีบาปผลกรรมครั้งอดีตมาก็ได้รับกรรมปัจจุบันขนานี้ผมขอยอมรับผมจนไปนีมนุษย์พ่อมาในวันนี้ก็ไปเล่าเหตุผลให้เขาฟังว่าชีวิตแห่งการขึ้นจีใหม่บอกเราเครียร์ส่งสอกรสอบยาบอกส่งไปลิ่เยอะแล้วส่งของขวัญให้ผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างแต่อย่าลืมส่งของขวัญให้ตัวเอง เรามีแต่ความทุกข์ความยากมีแต่ความชั่วในตัวแล้วแก็จะไปส่งความดีไปให้ใครแล้วสกอเขสอส่งความสุขเขาต้องยอมรับอันนี้คือจะมาดีใจนะเขาต่างชาติต่างศาสนาเขายังว่าสินห้าด่าวาโดยดางเรื่องชัดเจนเรื่องแต่คนไทยชาวพุทธเราไม่ได้สงใจในเรื่องนี้ก็มีมิฉน้อย ไปสนใจเรื่องอื่นกันขึ้นมากมายอดีตผมอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเคยมาถี่วัดนี้แต่ผมก็ไม่เคยเลื่อนสายคาชาพุทธเป็นชาพุทธแต่ประการใดแล้วก็ลองไปทำดูไปปฏิบัติข้าเขาก็ยอมรับว่าลูกเขาก็ยัยงซื้อเสีงยงแลไม่เคยเลยเส ลูกเคลื่อนจะเลยไปเสพติดยาเสพสิดติ ด, ด, ดยแต่ลูกของเขานั้นปลับเรียนนังเฉยเก่งอยู่ชั้นเดียวกันมันก็ต่างแตกต่างกันมันเรารุ่นเดียวกันนะจบหลักสูตรมาดิดการทาไมต้นใหญ่เป็นโตไม่เท่ากันอันนี้ก่อนนาพิจารณาแล้วขอฝากท่านทั้งหลายไว้อีกด้วย เี่ยการเจริญชกรรมฐานเนี่ยทําให้รู้เหตุการคีิตได้ขอให้ท่านทําจริงๆอย่าทําแบบล้มเหลวแล้วก็อย่าทําแบบที่ว่าขอไปทีมันยังญาติโยงเนี่ยอุบาสกมรดิกามันน่ะกรรมฐานในวัดบางทีกรรมฐานเกิดกา ร, การไม่เด็ดขาดใจเลยเนี่ยทำเขาทำแล้วประทําทคิดว่ามาแรกบุญแลกกุศลมันไม่เจอกลองขายของ ไม่จะไปคาถาในตลาดจะได้ไปแลกกันเอาของไปแลกเงินแล้วเอาเงินไปซื้อของคงจะไม่ใช่ก็บุญกุศลไปแลกกันไม่ได้ต่างโคลนต่างทำนะใครทําใครก็ได้สามีทําสามีก็ได้ภรรยาเป็นผู้ทําภรรยาก็เป็นผู้ได้ออกมาอย่างนี้คนหนึ่งไล่ฟัง เอกสามีที่เมาวันนี้เขากลาเจาชู้ด้วยนาเนื้อใต้เลยแล้วแถนตีก็าเมาเขามาตีเขาโยนผู้หญิงเล่าบอกว่าพ่อคะหนูก็ได้ดูทีวีที่หลวงพ่อพูดหนูก็ไปสวดมนต์แล้วก็แพ้ชมกุสนให้สามี จะไปยังไงก็ไม่ว่ากันละไม่เคยเฉียงกันอต่อไปเรื่องเฉียงยเรื่เฉียงสางมีย่าเสวยพุทธคุณถ้ายุเกินหนึ่งวันนี้เขาไล่ฟังมีพยานหลักฐานแล้วก็สวยฟังนกกาหนูท่องไม่ได้แล้วก็อ่านตำราบัดนี้ท่องได้ท่องให้มันดังคล่องปากแล้วมันคล่องใจคล่องใจทิ้งจะเกิดสมาธิ เกิดสมาธิแล้วจิดมันที่จะเป็นกุศลมันจะได้ผลงานขึ้นมานะบัด น, นี้เนี่ยเขาบอกตั้งใจนั่นมาสามีไม่เคยตียะาตีไม่ลงนี่แหละสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตานี่เนี่ยทำให้ค น, นรักใคร่ไม่รีจิตได้วันนี้เขาไล่ฟัง เขาก็มานั่งฟังตลอดแลวเรียบร้อยบอกของพ่อว่ามีสามอมาเดิมามาจะให้ฟังง พ, พ่อพูดด้วยเขาก็เลิกเลิกหายนะเลิกอาบายมุขแลละหาความสุขในสังคมที่ใจชู่นั้นก็ ค, ค, ค่อยค่อยหายไปเพราะหนูไม่เคยว่าเขาเมก่อนน่หึงแล้วไปด่าเขาด้วยเขาก็เตยเอา เขาก็เตะเขาประจบแล้วหนูก็ชูไม่ได้หนูดีปากเขาดีมือกระท้าหนูด่าเข า, า, เขาเ ท, ที่ราเขาก็เตะทุ่ทีเลยเราก็เลิกดา่าขอเจริญพงการดา่าการว่าไม่เป็นเรื่องดีเลยมันยังมีบุตรที่ดา่าไปว่ากล่าวลูกนะเราควรจะพ่อแม่บาปบ่นลูกจู้จี้ระวังเลย ลูกเสียหายหมดมันมีเวอย่างอยู่มากเลยวันนี้เขากลราวเขกดีใจกล่าวแทร่กรบับบอกว่าลูกหนูดีสามีก็ไม่เคยว่าอะไรเลยก็ตอบได้เลยก็ว่าเกรงใจนั่นเองเกรงใจภรรยาเลิกด่าไปไม่จะทุบไม่จะซีกันต่อไปเลยเขาก็เกรงใจ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 ได้เดือดร้อนต่อภายหลังออกมาอย่างชัดเจนแล้ววันนี้ได้กำลังเยอะกรรมาก็ดีใจกระทั่งที่มัจฉาบายเป็นข้ายอย่างแรงก็ต้องไปพูดให้เขาฟังเขาก็มาเล่าขนงานให้ให้เราฟังวันองพ่อหนูให้ลูกสรวจแล้วแล้วลูกก็ต้งใจเรียนหนังสือไม่เจเรเกรเสีเกยกยต่ประการใด สามีก็มาเอาใจเอาใจใส่รักทั้งลูกรักทั้งเมียรักครอบครัวขึ้นวันนี้จะจำลาขึ้นจีนใหม่แล้วก็ไปบอกเขาว่าจะขึ้นจีใหม่เนะี้ยวันที่สามที่เด็ดเลยสิบกว่าวนะันเนี้ยอย่าไปกินเหล้าเมายานะเหมือนเราก็ออกแขกเล่นละครไปสามที่แปดออกแขกไม่ดีบอกเรื่องไม่ดีแล้วมันจะเล่นไม่ดีตลอดชีวิต ในปีสามที่แปดมันจะใช้ไม่ได้บางคนู่วันที่สามที่เด็ดฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่เมาันแสงหมดน่าจะไปหาพ่อห้ำแม่นะไปเลงงานให้สันทราบถ้าจังมีคุณแม่คุณพ่ออยู่ก็ควรจะไปหาวันที่สามที่เด็ดก็าอาจจะให้ยดูร่เจการบางลรื่องไม่ก็ไม่ทราบถ้าหยุดก็ควรจะไป ไปหาพ่อหาแม่รายงานให้ัา่านาบขอฟังโอว่าว่ากิจาการุองลูกปีสามที่เด็ดปีสองพันร้อยสามที่เจ็ดวันที่1ิเด็ดจะสิ้นปีแล้วกิจาการดีกิจาการไม่ดีก็รายงานให้ท่านาบพ่อแม่ก็มีความหวังตั้งใจว่า ถ้าลูกดีมีปัญญามีหลักฐานพ่อมาไปชื่นใจถ้าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ชื่นใจบ้างหรือพูดโดยเหตุผลถ้าลูกเดือดร้อนท่านเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาท่านก็ยอมจะต้องเดือดร้อนไปกับลูกด้วยถ้าลูกอยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของหลูกแม่พ่อแม่ก็อายุยืนชื่นใจที่มีลูก หลักฐานงานดีกระช่างอุทธบุญยาลาสีเกิดขึ้นในชิดของเขาอีกประการหนึ่งด้วยอันนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่น้อย <c oughs> วันนี้ก็ไปรับเรียเ่ยงมาก็เล่าถูกกันซ่างวันที่สามที่เบ็ดอย่าไปเด่มพุลายาเมาได้ไหมซ่างบุญซ้างอุทธรณลองดูที่ว่าปีฐานีแปดมันจะดีไหม ตรวมนไหพระและคิดบัญชีอัชีเก่าที่เรามาพระจันเทศบอกว่าไม่ดีจริงไปทิ้งไม่ได้มันไม่ดีอีนไหนต้องเก็บมาให้ด่ามาวิจัยว่ามันไม่ดีเพราะอะไรขาดทุนตรงไหนเราจะได้มา เ, ลเปลี่ยนเมินผลขาดก็เติมเกินก็ตัดประหยัดเวลาไว้ใช้ปีสามที่แปดต่อไปไม่ดีหรือ อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ได้คิดการเจริญกุศลภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นานศีลละภาวน า, า, นน า, วนาการบริจาคทานนี้เนี่ยใครก็ทำได้เขียนสลาให้เพื่อนได้แต่เขียนสละไปทางดีหรือทางชั่วมีสองประการนั้นถ้าเรามีสติทั้งปัญญามีสิ่งควบคุมจิตให้การทำทาน ทานท่านจะไม่ไร้ผลทานท่านจะดีถ้าเราบริจาคทานเทวศลาไปไม่มีสติสัมปชัญญะในการทําบุญทุล ท, นทานเหมือนสินค้าไปเรือพายสินค้าไปเรือแจวแต่ท่านมีสติสัมปชัญญะดีควบคุมการทําทานทําบุญทางของท่านนั้นจะไปรถยนต์มันก็จะไวขึ้น มันจะได้ผลเห็นทางตาถ้าเรามีภาวนาตั้งสติให้มันปลูกสายใจสะอาดหมดจดขึ้นมาแล้วควบคุมไว้อีกชั้นหนึ่งทำให้มีปัญญาในเมื่อวได้ปัญญาแล้วทางของท่านจะไปขึ้นบินมันจะบินไปผักก็จะไม่เนา่าจะไปถึงเหตุการณ์ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนา มันก็มีหลับสามประการนี้บางคนที่ว่าทำทานการกุศนไม่จำต้องกล่าวว่าเป็นบุคคลที่มาทำบุญทุนทางไอ้ขอโมยโจรมันก็ทำบุญได้เมื่อหลายปีมานี้คนลักรถมันอยู่ลบบุรีนี่เองลักรถได้สิบคันมันบนเข้าไว้ตำรวจไม่ได้จับเลยจับไม่ได้ บนม า, าทอดผาป่าเลยบอกจะมาทอดวันนี้พอเล่าให้เราฟังบอกให้ทอดวัดอีกเนอะเดี๋ยวเงินแกจะท้าสาร้างวัดข้าวัดค้อให้วัดขับทัาทางไปด้วยไม่เอานี่แสดงเหตุผลจับสุดของการจะทำได้นี่โคโรบุรีเนี่ยที่กาพูดนี่ยเพราะอะไรก้อยขโมยคนนี้มันตายไปแล้ว ถ้ามันยังไม่ตายพูดไปเดี๋ยวมันก็จะมาเล่นงานเราเนี่ยดูที่มันลักรถได้สิบคันเลยลักรถแถวสิงห์บุรีอ่างทองสละบุรีใกล้ๆเนี่ยตำรวจจับไม่ได้มันบ่นว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่ทราบว่าบุนวัดไหนแต่ผงไม่ใช่บุญวัดอัภวันบนญวัดอภวันดีแล้วขอให้ลักรถนายจะมาทําบุญรักร้องตำรวจจับได้แน่ อาบบดวัดนี้บังคนวัดจับเลยนะขอฝากว่ามันมีตำราที่วัดนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมาคิดจะมาชอ่อผาบาบอกเองินเหลือมเหลือใช้มันบนไว้นี่ก็แสดงว่าไอ้พวกโจรขโมยมันก็ทำบุญได้แต่มันไม่มีศีลมันไม่มีธรรมมันก็เจ้เหลาให้พวกมันได้ ทานจึงไม่แน่นอนทานที่แน่นอนที่สุดทานทั้นสูงของพระพุทธศาสนาคือเสียสละความชั่วออกจากตัวได้เละความไม่ดีเอาไปทิ้งให้หมดอย่างนี้เรียกว่าทานใจสูงยโยยไม่ต้องใช้เงินใจทองละทิฐิมานะออกจากตัวไปให้ได้อย่างนี้เป็นต้น มันกว่าจะได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นโดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเดี๋ยวท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่มีเงินจะทำบุญถึงทานและเราจะได้มีโอกาสจะทำบุญตรงไหนกันเล่าว่าก็เงินเราก็ไม่มีขาดมือแล้จะไปวัดไหนได้จะไปทำบุญไม่เป็นลายทานการกุศลนั้นหมายถึงว่า เราก็เอากายไปช่วยเขาเอาจิตใจไปช่วยก็ได้เขามีงานสาธารณประโยชน์หรือสาธารณะกุศลทำงานส่วนรวมด้วยกันนละเราก็สามารถช่วยได้ด้วยกำลังแรงงานกำลังแรงใจกำลังทรัพย์ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่มีจริงๆและเอากำลังใจช่วยกันสาธุอนุโมทนาตามหลักพระพุทธศาสนา เรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญสาเร็จด้วยการอนุโมทนาเพราะได้บุญเท่ากันหมดไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองมาทําแต่ประการใดมันก็ได้ผลเท่ากาันบางคนก็ไม่้อใจที่จะต้องทําบุญทุ้นทานอย่างนี้แต่ก้อนการทาบุญทุนทานนนต้องมีสติปัญญาเนี้ยขอเจริญพรว่า บางคนเนี่ยนึกจะทำอะไรไม่ได้สึกกรองใครมาบอกบุญก็ะทำประพฤติทำานื้วขาสติปัญญาตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทศษถีโง่ไม่มีสติปัญญาจะเรียนอะไรก็ไม่สาเร็จแล้วก็มีเงินมีทองมากมายก่ายกองก็ต้องไปหาคุณอืน่นจ้างเขามาเป็นผู้จัดการในบ้านจ้างเขามาเป็นผู้จัดการหมด ถ้าเราขาดสติปัญญาก็าจะอ่านหลักพระพุทธศาสานาการจะทาอะไรต้องใช้ปัญญาก่อนใช้สติก่อนจะทำบุญร้างโบหรือร้างสลากหรือเขามาบอกบุญทุนทานอันใดต้องไกรกรองทำอะไรก็มีสติยับยั้งมีสติคิดว่าเขาทำนั้นมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์เราค่อยจะทำ แต่ยังไม่ทําประโยชน์นั่นได้อะไรบ้างแล้วเราก็ต้องคิดข้อที่สองต่อไปว่าเงินทองพอไหมมันจะเหลือใช้จ่ายการครอบครองและครอบครัวไหมที่เราทําไปแล้วจะเดือดร้อนไหมถ้าทํำแล้วมาเดือดร้อนแล้วนั้นเราก็ขัไปทําทําแล้วประชินใจงานนั้นสําเร็เดตตาการปฏุบัจจัยชัยทางของเรา เขาก็ไปใช้เป็นประโยชน์ในส่วนรวมและส่วนผู้ลทั่วไปเราก็ได้บุญนี่แหละทำด้วยสติปัญญาอย่างนั้นโยมีโฉมนาติการทำด้วยเจตนาะอนเป็นส่วนกุศลและผลเัื่องเกิดกับกพึงได้และจะไปเกิดในชาติใ ด, ด้พบดในานาคตมีช่งบุญวัสนามีั่งสติปัญญา มม่ท่างจะตกประจัยเจอยทานครบถ้วนขบวนการเป็นกฎแห่งกรรมอันหนึ่งที่เราจะต้องได้ที่พึ่งทางใจติดตัวไปสู่ส้ำประละเียดพบบางคนทํามาใหญ่้นึเ ก, กลกองอะไรทําไปโดยหาเหตุผลไม่ได้เลยก็ไม่ได้บุญแต่กุศลเลยก็ได้สิ่งที่มาไะละ่สารติดตัวไปไม่เงินมีทองก็ไม่รู้จักจะใาย ก็ไม่มีปัญญาใช้เงินใช้เงินไม่แก็นเลยก็กลายไปโคนโซลุย่ยซูล่าจ่ายไปโดยไม่รู้เรื่องรูราวเสียเวลาการที่หามาได้ความยากหามาด้ความลําบากไปจ่ายไปโดยลาเหตุผลในอย่างนี้มีส่วนจํานวนมากมิใช่น้อยอีกประการหนึ่งขอเจริญพรท่างหลายอีกวาะหนึ่งด้วยมีการทาบุญคุ้มครอง การมีสติปัญญาก า, การมีสิ่งการมีสิ่งก็คือการที่เรามาเจริญสัตวมาฐานต้องกามให้เป็นผู้เวิดติมือสติสัมปชัญญะควบคุมสิทธิ์เไว้ได้ในเมื่อควบคุมสิทไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วกานจะกลายเป็นคนลลลหละหลวมเหล่อแหล่ลิ้วไหลแล้วก็จะกลายเป็นบุคคลผู้ล้มเหลวในโอกาสข้างหน้า แล้เราก็ ม, มีไม่มีความสบายใจจิตไม่สงบจิตไม่สบายเพราะจิตใจไม่สงบมันก็ไม่เกิดความสบายใจเพราะจิตใจก็ล้มเหลวประจาเรื่องจามราวขอหาอยณะแห่งการกระทำก็เราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้ความสําเร็จของชีวิตนะมันเป็นทําให้เราสบายใจให้เรามีความสุขความชื่นใจ ในการทาํางานและการครองเรือนและการครองรักระหว่างสามีภรรยามันก็มีความสุขในครอบมีครัวของซ้อ น, นยกตัวอย่างที่พูดตะกี้นี้นะมีเรื่องจริงที่ได้มาวันนี้สามีแมวไหนอย่าเล่นปลาพันนามแถมเจ้าชู้ด้วยมาจะ ด, ดูลูกดูเมียแจกประการใดภรรยาก็แมวไหนดา่าสะพึดด่า ในหึงหวงขอฝากญาติโยมผู้หญิงประเวณีมาจอกไปหิ้งต้องหวงลเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาเสียชะลามั่งไม่ได้ยังไงแจ้ชะลาให้เขาไปบ้างสิถ้าเวชชันดอนถ้าอย่างเสียชะลามัธยีได้ไหมทำไมโยมเสียชะลาสามีไม่ได้ชิดะกรรมฐามพวกกรรมฐานหลายคนอ๋อเสียชะลาได้ข้า ต่อไปนี้ฉันจะไม่หึงแล้วฉันจะไม่ห่วงแล้วจ้ะจริงแล้วจริงจ้ะแต่อย่ามาควงให้ฉันเห็นมาควงทำไมมาควงแล้วมันทำให้แน่น อ, อกพกอยู่ในใจยงผู้หญิงที่มักเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นไม่รู้เรื่องอันไลยฮะยงผู้หญิงไม่รู้เรื่องอะไรยฮะเลยวันนี้เขาเล่าให้เราฟัง หลวงพ่อหนูโรงตกตรวดมนุตยคุณของหลวงพ่อภามากาแล้เจริญกุศลภาวนาเลิกเลยโรงตกโลงตกเลยแผ่มเมตาามมเมตาสามีแผ่เมตตาสามีเลยจะไปอยู่กับใครก็าขอให้เขามีความสุขความเจริญขอเจริญอรฐานาโยมผู้หญิงที่นี่ทำได้ไหม แผ่เมตตาให้สามีไปอยู ừ, ่ก็อยู่คนนั้นให้คนนั้นมีความสุขด้วยทำได้ไหมฮะได้แน่นะฮแมมพูไม่กลมทำได้แน่กัแบบจะตักที่นี่เนี่ยโอ้ฉันกรงตกแล้วไม่หึงไม่หวงอย่ามาควงเห็นสินะสัมมาไม่เชื่อยงมผู้หญิงล่ะไม่เชื่อนี่แหละ เราก็บอกว่าเสียทองเส้าหัวเลยนะไม่ยอมเสียหัวใครเห็นเด็กมันพูดการเด็กพูดแล้วไม่ใช่ผู้ใหญ่พูดแล้วผู้ใหญ่เขาไม่พูดเรากเสียทองเ้าหัวไม่ยอมเสียหวยใครนะเด็กเขาพูดการนี่นี่เขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยก็ เ, เปลี่ยนใหม่เนี่ยเขเปลี่ยนว่างายยมได้ไฟังกัเปลี่ยนวนะ่าง่าย เดี๋ยวต่อมาก็าจำเม่ได้แล้วอันนี้ก็เรื่องอาจตตายเป็นเรื่องของความคิดของคนเ็เรื่องธรรมดาโยมต้องคิดทั้นทีกลับสิ่งที่เขาชอบการ ถ้าเราแผ่เมตตาแล้วนั่ะเรินกรรมาฐานตรงให้ตกแล้วนั้นเขาจะหันหมุงกลับมาหาเรานะเขาจะเปม่อกเพล่งใจเราขึ้นเขาก็จะเพิ่มความรักเรามากขึ้นถ้าความหึงเนี่ยมันไม่เพิ่มความรักหรอกโยมผู้หญิงไม่เข้าใจทาไมถึงหูงหึงต่อห้ฟงังเพราะมันห่วงทําไมถึงห่วงเพามันห่วง ทำไมถึงห่วงล่ะก็มาเกาะขั้วลึกซะแล้วตุกมากในทึ้นเรื่องเก่ามาั่งขอให้นาวัตรนาที่ทัานชอบกระผัวฉันขอมันมีทิพายใจห่วงไปนี่แต่อย่าเป็นอย่างนี้เลยทิพายแล้วชิพายก่อนเราทิพายก่อนแล้วไปกดแทนกรรมนะขอฝากญาติโยมมาในที่นี้ด้วยอย่าไปแช่ของเา้า ในการเจริญการมาถานเนี่ยมันมีเหตุผลหลายประการต้องการรเ้เหตุการณ์ของชีวิตเราไปแก้โดยเอาแก้อย่างนั้นไม่ได้แก้โดยการดา่าทานว่ามันมีแต่ความฝังใจให้เกิดทิฐิทําให้เกิดผิดเหตุผลทําให้เขาคิดผิดต่อไปมีทิฏฐิมนละาลาวความดีเข้าไปใช จะแก้กลับร้ายกายดีได้โดยไม่ยากนะักมีกับพวกโยมหญิงโยมชายมีปัญหาในครอบครัวมากที่มาที่นี่มีอยู่ห้าปัญหาหนึ่งครอบครัวไม่มีควนถุกเลยนะเั้นกดแห่งกรรมสองรองลงมางั้นผิดหวังในชีวิตแก้ไขชีวิตไม่ได้ไม่รู้จัากจะแก้ไขควรจะเจริญกรรมาฐานมาแก้ไขชีวิตทำให้ตัวเองมีสติปัญญา เอาไปแก้ไขปัญหาตัวเองจะดีกว่านี่ข้อสองข้อสามผิดหวังในชีวิตยังไม่พอก็ทำให้เป็นโลกประสาทเป็นโลกศาสตา์การชอทิศแก้ไขชีวิตไม่ได้แก้ไขไม่ตกประการที่สามมาเนีมาที่วัดนี้ลูกมอยากเรยน้ังือทำยังไงก็ไม่เรียน และก็บนเพอผันกันไปนานๆประการประการที่ 4, สี่เป็นนิสินผูกพันมากมายไม่มีโอกาสจะใช่นี่เขาได้ประการที่ห้าดีแล้วยังไม่พอก็เกียวกายไปยากจนหมดเงินหมดตัวหมดเนื้อประดาตัวแลกมีเงินร้อยล้านก็หมดไปหมดโอกาสที่จะพิจารณาตัวข้างเขา ถ้าเรามาเจริญกุศลภาวนาแก้ไขกฎแห่งกรรมจากการกระทําพวกเราได้โดยไม่อยากนะัก น, นี่มันอยู่ในเหตุผลข้อเท็จจริงสำคัญเราไม่ค่อยเจริญกรรมฐานด้วยจิตใจจริงแยกปฏิบัติในการแผ่มเมตตาตัวนี้เนี่ยทําได้โดยไม่อยากนะักเรียกว่าสื่อการสอนที่ดีที่สุดชีวิตจะไม่เลื่มเหลวแน่เรามาทํางานกระทุวัดทุกวันนี้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 มีบุญวัสนาไม่เหมือนกันปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในกำลาใครมีพรสวรรค์ก็ไปศึกษาเองแล้เวเดี๋ยวมันก็ได้ผลติดตัวขึ้นมาทันทีอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้มันเป็นความหวังของชีวิตอันหนึ่งแต่เราก็หาที่พึ่งทางจิตใจกันได้ยากมากไม่มีบทความในชุวิตขอเขาแต่ประการใด กานง้นกฎแห่งกรรมเนี่ยสงคัหลายเรื่องสามมาจะย ก, ย, ยกเคยยกตัวอย่างให้ญาติโยามฟังมาหลายคราวหลายหลายวัละแล้วมีผู้หนึ่งแต่ก็ไม่ออกชื่อเขาเดี๋ยนี้เป็นผู้มวยการตองไปแล้วเป็นโยมผู้หญิงโย่ทำงานกระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นเป็นที่เจ็ดก็ยมงมีครอบครัวตร้งบ้านเรียนอยู่จังหวัด ทนบุรีก็มีที่ดินอยู่ทั้งจังหวัดอ่างทองพอสมควรพ่อแม่ก็มันอยู่ในกรุงเทพจัะการได้เขาก็มีเงินมีทองพอใช้สอยในอัตภาพของเขาแล้วก็เขามีความรู้คริยาโททำ ง, งานกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็มีเพื่อนมากหลายด้วยกัน กมให้คำประกันธนาคารข้าเงินไปกี่ล้านไม่ทราบแล้วก็คำหลายคนเข้าเงินไปไหนของของสามีภรรยาใ น, นกระร้าประจการเหมือนกันย่าไปคำคำแล้วก็ล้มเหลวก็เนื่องจากวาสองสา ม, มีภรรยาพวกที่รวยทางรับรวยทางรัฐ ทำประพันสนาการก็ปูกเงินกูกเงินไปเอาไปไหนโยมรู้ไหมเอาไปให้แม่ชะไม้เอาไปให้แม่ชะไม้มไ ห, ไมมหมดเลยพอดีแม่ชะไม้ ม, มีเรื่องซะเลยก็หมดโอกาสเลยสองคนนะั้นก็หนีไปแล้วเจาตการก็เสียไปก็ให้ออกไปลาออกแล้วก็หนีหายไปสองคนสามีภรรยา ก็ไม่กลับมาธนาคารเรียกตัวก็หาตัวไม่พบเลยก็เอานายประกันนายประกันที่มาค้ำ ม, มาค้าเงินก็เรียกตัวมาบอกว่าต้องรับใช่นีนะเลยก็จําเป็นต้องยอมรับเราจะผ่อนให้ตามกําหนดธนาคารต้องการก็เลยกกับมาปกลง เขาก็เคี้ยวเคี้ยวใจพอแล้วเป็นเพื่อนกันนะนี่ขอจเจริญพรเพื่อนก็หักหลังกันไอความจริงเขาไม่ได้หักหลังหรอกพอดีมันมีเรื่องนะเขาก็อยากจะได้ดอกเบี้ยมากๆเอาเงินมาให้แต่แล้วก็ผิดหวังในชีวิตงเ้าเป็นการล้มเหลวของเขาไเลยก็คนที่ค้านั้นคือเป็นโยมผู้หญิงนั้นยังไม่มีครอบครัว เลยก็โกรธเสียอกเสียใจก็ไปบวชชีพลามที่ฝั่งธนบุรีก็ไม่ทราบวัดไหนวะรู้แล้วก็ไม่บอกแล้วก็ไปเข้าพรมฐานวัดไหนไม่รู้ไปเจอองพระองค์หนึ่งสอนอย่าเสอยอกเสียใจชี้แผ่ไม่ตาให้มันแผ่ไม่ตาให้มันแช่งไปเลยแรงไปไม่รู้เรื่องสอนกันอย่างนั้น เลยก็แผ่เมตตาด้วยการเช่งชาหักกระดูกมันไม่เอาเงินมาเราก็ช้าหมูช้าใจต้องใช้ธนาคารเป็น ล, ะละ้านขอให้มันชิบหายขอให้ไฟไหม้บานมันเอาไฟไหม้บานมันก็มีภาวนาอย่างนั้นนะในที่สุดอยู่มาไม่พอเดือนเนะี่ยไฟไหม้บ้านตัวเองเลยที่ฝั่งโซนต้อง ซ่อมไปจิกแสนเจ็ดมื่นซ่อมบ้านไปไฟไหม้วงจรไฟฟ้ามาันรัดแล้วก็เสียบปลั๊กว้แยมว อ, ออกได้มาทำงานปลับไฟไฟไหม้ไปครึ่งเนี่ยเดยกก็ต้องไปซ่อมบ้านถึงแสนเจ็ดมื่นซ่อมแล้วก็แช่เขาคิดหายเอรามันคิดหายมีนานนงกรรมฐ า, านแบบนี้นะ ้ะโยมมีแผ่ไม่สายอย่างอะแบบเนี้แพงไปเยอะมันเอาเงินงเราไปเนี่ยจั ง, ง, งจช้ำอกช้าใจม่จฉ่น้อยเนอะแพงไปงเยอะแสดงออกจากผิดแล้วก่อนนะเราโดนก่อนนะเราโดนก่อนไทยนะจาไวด้ดะดี่ไปกวดแห่งกรรมก็ร้องไม่เชื่อร้องดูเถอะอย่าไปร้องกันบ่อยนะั่งจะล้มเหลย อ, อย่างแน่นอนเลยผลทุกท้าย เกิดมีเรื่องที่จมที่กระทรวงสาไม่รู้เรื่องอะไรอธิบดีตั้งกรรมาการสอบสวนไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วนั่นเนี่ยแช่เขาจิพายตัวจีพายก่อนพาใครการโดนอธิบดีตั้งกรรมาการสอบสวนถือว่าไม่ดีเนี่ยถือว่าเสียชื่อเนี่ยการกรรมาการสอบสวนก็ยังเลือดเรื่องยังไม่เสร็จ ก่อเสียอเหายใจมากเนี่ยสองเรื่องเลยหนึ่งไฟไม่บาทเนี่ยแทไม่ตาไฟไม่บาทสองอธิบดีจ้างกรรมการสอบสวนไม่รู้เรื่องอะไรละอันนี้เราก็มาต้องข้าวความหลังเรื่องของเขาพอดีัะมาไปพูดที่อกระทรวงศึกษาธิการเขานี่มอนไปพูดก็ไปพูดเรื่องโปรเซนการ ก็ฟังแล้วก็โยมผู้หญิงนี่ น, นางคณาเลยพูดตายพูดมาน้ำตาร่วงร้องไห้คนอื่นเขาไม่ลองเดี๋ยวคนนี้ร้องคนเดียวเลยก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพอพูดจบแล้วก็คลานมาหาจะมาบรกหงพ่อคะหนูก็เป็นอย่างนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าไฟก็ไม่บานแล้วขณะนี้เสียใจมากคือ กรรมการเขาตั้งกรรมการสอบสว น, ถ, นถ้าหนูทำไม่ดีเขาอาจจะโดนไล่ออกด้วยก็ว่าปูดอย่างนี้บอกระพมีทางอะไรบ้าง้ะโยมทยํายังไงจะกรรมฐานของโยมอ่ะทําไปแล้วพอได้กําลังสมาธิดีก็ให้มันเป็นไปตามตามให้แทงมันตายก็าก็เล่าอย่างนี้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 แล้วมานั่งเจริญกรรมฐานอย่างที่สอนอย่างเนี้บอกทำอย่าเพ่งคัสเนี่ยอย่าไปคุยกับใครนะนั่งเจริญกรรมฐานจะสอนให้เดินจนกลมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึชั่วโมงเสร็จเนี่ยก็แผ่เมตตาให้สองคนผัวเมียที่เป็นเพื่อนกับโยมอ่ะจะอยู่แห่งหนใบบดก็ไม่ทราบแล้วเขาหนีไปเขาหนีไปแล้วจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบขอให้เขาเจริญรุ่งเรือง ขอให้เขาล่ำรวยมีความสุขความเจริญในชีวิตของเขาทั้งสองคนและขอให้เขาเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองยากตรงให้มันตกทีแรกตรงไม่ตกลักเพราะติไม่พอก็คอยอยากจะแช่งเหมือนเดิมอยากจะแช่งเขาอย่างนั้นในที่สุดก็แผ่ไปได้บอกหลวงพ่อครับ หนูกรองกอก้วคิดได้ย่งมีสติคิดนะนั่งกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ให้รวยนยะต้องการมีปัญญาไปคิดแก้ไขปัญหาที่ลราจะเดินเมินงานได้ในที่สุดโยงผู้หญิงคนนี้ก็คิดได้อ๋อแล้วยังมีที่แม่ให้อยู่ที่อังทองที่เหนือป่าโมกป้ะกองขายพอใช้แม่ัาสินใจเดิน ลองตกเลยดี อ, อกดีใจเลยโอ้คิดได้เลยบอกก่อนคิดไม่ออกเลยว่าที่ดินมันมีอยู่ที่บ้านนอกแม่ยกให้แม่ก็ตายไปแล้วพ่อก็ตายไปแล้วไมนะ่มีเงี้มีพี่นอ้องสามคนก็กระจัดไปที่อื่นหมดแล้วไปอยู่ประเทศนอกคนนึงสหรัฐอเมริกาก็มาลองไปพึ่งพาอาศัยก็นเนี้ยอนุกาที่ดินเนี่ยขายได้เหลือกินใช้นี้แล้วก็ยังเหลืออนุกาเอามา เข้าธนาคารไว้ก็อาจจะดีเนี่ยอนยะ่างกรรมฐานมันก็แก่ไปได้มีปัญญานั่นเองมันคิดไม่ออกมันอึนตามหมดจิตไม่มีความสุขไหนมาจุดล้มเหนวขาดความสุขแล้วไหนเลยเราจะมีปัญญาแก้ไขทุกข์ได้ทุกข์ในปัจจุบันนี้ไม่จ้องไปเอาในชาติหน้าล็อกเอาเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้คิดจงพอ บอกว่าหนูตรงตกและหลวงพ่อที่ที่อังทองเหนือปราโมกเนี่ยแม่ให้ไว้ที่ต้องหลยไลย่นี่จะเคยนหกสุดหรือจะไิล่ไม่ช่แล้วอยู่ที่ดีด้วยใสถนนด้วยขายก็ได้เหลือที่เหลือใช้แต่ทิ้งใจตรงตกแล้วก็ดีใจจิตใจก็เข้มแข็งไม่อัอนน่าขึ้นเลยก็ตรงตกคืนต่อไป อีกสามวันครบเจ็ดวันก็แผ่เมตตาจิตมันก็แรงให้คู่คู่กรณีที่ให้คําประกันเงินนั้นให้เขารวยให้เขารวย ใ, ให้เขามีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วข้าพเจ้าขอถอนคําคู่ขอถอนคําคู่อะเรางพอให้ทอนหน่อยนะนผมคําคู่ที่แชงเขาให้ใส่ไม้บาแชงเขาให้ทิพไายใส่หง ถอนคำพูดและจะมาก็อนุโมทนายถาขับเพ์เขาเป็นการโหติกรรมแทนและเขาก็ดีใจกำลังใจมันก็เกิดขึ้นในเมื่อกำลังใจเกิดขึ้นก็เดินกรรมฐานเพื่อค่องแค่ก็ปีก็เต็มที่กลับไปหลับไปทางโน้นก็ไปรับราชการไปทำงานนึ่งมาแล้ว การสอบสวนไปสอบสวนมายกเลิกไปไม่รู้เขาเยกเลิกกรรมาการเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่หาความใส่ารเขาไวายอย่างนั้นเลยตัดสินใจกรรมการเข้าลงมาติเป็นกระชานว่าไม่มีผึกแต่ประธานได้เสือเสนอที่บดีไปที่บดีก็อนุมทนาไม่เป็นไรก็จาวไปนี่ข้อหนึง าจากอนน า, านิสงส์กรรมฐานแล้วก็ต้องถอนคำพูดถ้าเราไปแชฉงใครเขาไว้นะนรือจะไปผูกเจ็บใจเจ็บพยาบาทใครต้องถอนคำพูดก่อนนะถอนฟ้องก่อนนะหมายถึงถ้าจะมีเวรมีกรรมติดตัวไปนะเราขอ เ, อ น, เนีฉยอย่างนั้นในที่สุดบุญกุศลสุดเขาจะได้เงนจากคืนมาเนะี่ยไม่ต้องขายที่อังทอง ด้วยอำ น, น, า, อ น, นาจอานาจกรรมฐานาเนี่ยอำ น, นาจมันตั้งจิตให้โปรงตกแล้วก็มีสติไม่หยาบได้แล้วเราก็ยอมรับใช้มีของเพื่อนไปว่ามาก่อนใช่ก่อนแล้วเคยไปเอาของเขามาเราก็ต้องใช้ปลายโรงตกเช่นนี้เนี่ยเป็นตัวปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่มั น, นาจกรรมฐ า, านแล้ให้รวยเอง กลับไปเงินทองไหลามาเทเองแล้วเราเปน็นหนี้ขาวมากมาย น, นางกรรมฐานไม่เชิญเงินมาเอง น, นางกรรมฐานต้องการให้มีปัญญาแก้ไขปัญหาเรากลับไปแลาวจะได้มีสติปัญญาไปชิดขึ้นเมื่อดูที่มันนั่งมาจีวันทิพย์ได้เลยเราโยงตกว่าอ๋อที่ยังอยู่ที่อังทองไม่ให้ไว้ที่เป็นที่ของยาย ย้ายให้แม่แม่ก่อนตายก็ให้ลูกคนนี้ไว้ขายได้แน่นอนเลยก็ปรงตกไว้ะจะขายที่ใช่นี้เขาเลยพอดีกำลังใจมันยังตกอยู่ตามสอบสวนที่ทีิบดรีร้างกรรมกา ร, รสอบสวนขอเจ้ากรรมการลงมัดถือไปเอนกกรชันทั้งหมดขาดนายบอกว่าคนนี้ไม่มีทึก แล้วก่องา น, นการก็เดียบร้อยมาเป็นความจริงที่กล่าวหาแต่ประทานได้เลยก็ักลับร้ายใจดีขึ้นยดยก็กล่าวทุงสองคนสา ม, มีภรรยาหนีไปอยู่เชียงใหม่หนีไปอยู่เชียงใหม่ก็ไปลาบจา้างทำสำสวนของเจ้านาเชียงใหม่ของคนสา ม, มีภรรยาเพราะไม่รู้จะไปหาใครได้แล้ว ไปหาเพื่อนเพื่อนก็เลียวหลังฮพ้ก็จะย้คยคนตกอาบเนี่ยหมดบุญวาสนาเนี่ยนะไฟหมดหมอหมัเต อ, อ, อ, อ, อ, อ, อรรี่หมดไฟแล้วเก็บไฟไม่อยู่มันก็ไปไม่รู้จะไปผึ่งคลายเหมือนรถต้องใายตูดรุดแล้วก็ต้องใายไม่งั้นมันไม่ติดแบบนั้นหมดหวังที่จะช่วยได้ เลยก็ไปอยู่เชียงใหม่สองคนสามีภรรยาก็าช่วยกันสวดมูลไหว้พระบอกเราไม่ได้คิดโกงเขาเลยไงแต่จะทำไงหนอจะหาเงินเอาไปใช้นี่เขาได้เราบรยสุดใจที่ตั้งใจกู้ธนาคารไปก็ไปให้แม่กซคนนั้นที่เขากู้เงินกู้ทองเอาไปให้เขาแล้วก็ได้ดอกมากๆอะไรทำนองนี้ มันก็เกิดมีปัญหาเขาก็เกิดจับตันขึ้นเลยก็ต้องล้มละลายหายศูนย์ไปทั้งหมดก็มาได้คืนเลยพอดีเกิดโดนบันดาลเจ้าหน้าเชียงใหม่ก็ดูสองคนสามีภรรยาเกิดมีบุญวาสน า, าก็เกิดมาเจอข่าว็่าถามนี่คุณมาอยู่กับเราเนี่ยจะสองเดือนแล้วตกขาก้าจะเดือนที่สาม เราสังเกตพวกเรา้งสองคนเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะบางครั้งทำงานดีเลือะเกินนะและบางครั้งก็ไปนั่งคุยกันแล้วก็ร้องห้เพราะเรื่องอะไรบอกเราใชทไหนี่บุญมาถึงแล้วบุญมาถึงแล้วแต่เขาสองคนสามีภรรยาก็ช่วยกันสวดนมขวดพาหั ม, มากาแล้วก็ทําให้นะ เรามาเชียงใหม่ถามถามว่ามีเรื่องอะไรบอกเราหน่อยได้ไหมเห็นคุณเนี่ยสองคนมาทำสวนมาทำไล่ทำอะไรเนี่ยเห็นขยันหมั่นเพียรดีเอาใจใส่ดีเหลือเกินเห็นโกเห็นใจนะมาอยู่ได้เราสองสาเดือนเนี่ยมีเรื่องอะไรได้จะฟังเีนี้สองสามมีภรรยาก็เล่าเหตุการณ์นัที่ามาบอกความตรง ว่าได้ไปกู้เงินธนาคารแล้วก็เป็นหนี้หลายล้านมันมีหลายเจ้าและเจ้าหนึ่งไปเพื่อนการเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบมาด้วยกานแล้วก็มาช้มเขาเขาก็่งคนขําประธานแล้วก็เขาก็หนีมาอย่างนี้เอาอย่างนี้แล้วกันเราเห็นใจคุณนะเอาหน้าสนอดนี้ไปขายที่ที่ดินมีอยู่หลายร้อยไร่ ดูทางไอ้ดอยสะเก็ดดอยสะเก็ดไปทางไหนก็ไม่ทราบเราก็ไม่รู้ถ้าคุณขายได้เราเอาแค่อะไรสิห้าล้านหรือสิบล้านจะไม่ได้ละเอียดถ้าเกินกันนั่นเอาไปเชอเอาไปขายเลยถ้าขายได้นะเกินกว่านั้นคุณเอาไปหมอเราไม่ว่าจะ้ะเราขอแค่สิบล้านหรืออะไรํำนองนี้นะ เลยก็เกิดโชคดีพายในสิบห้าวั น, นขายได้สิบห้าล้านขายได้อย่างดีด้วยว่สิบล้านนั้นก็ให้มาเชียงใหม่พายแล้วก็ได้เงินห้าล้านเงินเกาะกลับกรุงเทพกลับเอามาใช้หนี้เคลื่อนที่รับการเรียนสวืุ้่ลาบมาด้กันเกิดดีอกดีใจแล้วใช้หนี้ธนาคารไป ทั้งดอกทั้งดวงเรียบร้อยแ้วยังมีเงินเหลืออยู่แล้วก็พากันมาที่วัดอภาวรานี้หลวงพ่อค้าได้ผลอย่างนี้อาจานมาถามสองคนผมเนี่ยถามบอกไปไงมาไงเขาก็บอกว่าหนีไปไหลายแห่งไปหาเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนก็ไม่รับไปหาใครเนี่ยตกอับมาได้แล้วไปหาใครก็ไม่มีคนช่วยเหลือเหมือนห ม, ม้อมะกติรีหมดไฟเนี่ยทาอะไร ก็ไม่มีใครช่วยเลยก็ตอนน้องหนีไปอยู่เชียงใหม่แล้วก็ไปไปลูกจา้างทำสวนทำไรอะไรไปตามเรื่องโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาน่ะเป็นใครเลยเกิดบุญโดนบุญโดนล ด, ดาของโยมผู้หญิงคนนั้นที่คู่กรณีนี่แหละขอให้แทนเม่าได้ผลอย่างเลยเขาก็ดดาไปใช่นี่ ใช้สินยียอร้อยสองเจ้าก็หมดใจเลยก็หางานทำได้และก็พามาที่วัดอัมพวันของสามีภรรยานั่นก็มาเจริญกรรมฐานอย่างที่โยมมาทำก็ดีแหละเขาขอให้ทำจริงๆหน่อยแล้วเขาก็กลับไปรล่ารวยตามเดิมแล้วก็โยมผู้หญิงก็ได้เลื่อนตาแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองศรี8ปด ได้ข่าวมาแล้วได้ชีเก้าแล้วแต่ชีเก้าเรียนตำแหน่งเป็นไรก็ไม่ทราบโยมผู้หญิงคนนั้นนะเลยก็ได้หยิบ ด, ดีดีสืบมาเลยบอกหนมะ่ไปเข้ากรรมฐ า, านไปบวชชีพรามวัดไหนก็สอนก็อยังงนะั้นเลยมาที่นี่เรามีจะสอนให้แผ่เมตตาให้ปลงให้มันตอกและทำจิตใจให้สะอาดหมดส ด, ดทุกประการจะได้ผลขึ้นมาอย่างนี้ เลยก็ได้เป็นชิก้านสงข่าวมาแล้วเดเป็นชิก้ามันเป็นเวลานานก็สามสี่ปีมาแล้วอันนี้ก็ได้ผลนะที่เขามีเรื่องยุ่งๆกันนะเนี่ยขอเจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะขอได้ขอเสียอยู่กับท่านเองนะาจะมาสร้างบุญให้เกิดความสุข หรือถ้าอ่อนารให้ล้มเหลือก็ชีวิตก็ไม่เป็นไรไม่บังคับท่าอกบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องของศรัทธามันเป็นก็เรื่องของความเชื่อถือต้องการจะมีเหตุมีผลดีท่านก็ทำตามเหตุตาผลของท่านตามที่สอนก็แล้วกันเนี่ยมันมีตัวอย่างชุด น, นี้นี่เล่าให้ทัานฟัง เลยก็ได้ผลขึ้นมาอย่างนี้การแผ่เมตตา ม, มีประโยชน์มากเรียกว่าชื่อการสอนทําให้มันถูกต้องการทานองของธรรมนั้นจะได้ผลสมค่ากาบทนาเช่นเดียวกันบางทีแผ่เมตตาผิดบางทีสามีภรรยายเนี่ยอย่างข้าว่าวันนีเน้เขาแผ่เมตตาโปร่งตอกเลยสา ม, มีจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไร สมาขอเจริญพรส่วนนีนน้ว่าแม่บ้านสําคัญกว่าพ่อบ้านแม่บ้านมีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าแม่บ้านดีมีปัญญาสามีก็ดียิ่งไม่กองอะไรที่ลบลืมเนี่ยถือไปนในทนไม่ได้เยอะเป็นแค่พระเอพิเศษหรือโปรเกรสเซียนก็เห็ุได้ภรรยาไม่ดีภรรยาไม่ดีถือเป็นในทนไม่ได้ เรื่องจริงที่ลบหรีพระาทาหารไปรลูกศิษย์ชุบา น, นี้รารู้บอกว่าคุณเห็นจะเป็นในพลไม่ได้ยังไงก็เหตุดังกล่าวมาเขาก้อนตาปิดจริงบอกหลวงพ่อเลยลูกน้องผมเป็นในพลหมดแล้วผมยังไม่ได้เป็นเลยเลยก็เปลือก็เสียงแค่พันเอกพิเศษเท่านั้นนี่แหละแม่บ้านไม่ดีไปอย่างนั้นจริงๆขอจเจริญพรบอกเจ้าโจมด้วย บางคนก็ภรรยาประสมสีพัญญาประสมสีได้สามมือต้อยโทรแต่งงานก็ที่เชีงยงใหม่ภรรยาประสมสีนี่คนเชีงยงในมเนี่ยเมามาเจริญกรรมาฐานที่มีเป็นเวลานานตั้งแต่สองพันหา้ารอยแล้วตามาก็สอนเขามีสติปัญญาดีเลยก็คิดว่าสามมือนี่ย เขาเป็นในร้อยจะมาเป็นในพันเป็นใหญ่เป็นโตก็คงจะทิ้งเขาเพราะเขาแค่ผสมสีไม่สมจากสีกับสามีผู้รับผิชการเป็นในพันเลยมานั่งกรรมฐานเกิดมุกมนะเรียนาภาษาฝรั่งเศสเรียนาภาษาฝรังเศสไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ข้าก็เพิ่มเติมข้าปรับดีกว่าสามีผู้จาพาทีดีกว่าเยอะ เลยก็มีมือสัมพันธ์นใสนสองคนขึ้นง่ายที่สุดสามมีเป็นทิ้งในผลเอกแล้วเขาก็เด็กเป็นคุณหญิงฝ่ายนาประชมซีนยอย่าวั่นสนะบาะมีการเจริญกรรมฐานไม่ใช่ว่าให้ยวกขับทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็ไปดาเนินงานวิธีชีวิตให้มันถูกต้องในเมื่อวิธีชีวิตถูกต้องตามํานอคนครองธรรมแล้ว จะนึกเงินไหลนองนึกทองไหลมาก็มีตําแหน่งแห่งที่มีปัญญาดีให้กับลูกหลานของเราต่อไปเลยโยมผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นเลยสามีเกิดเกียนแล้วก็ตร้างโรกลาดที่เชียงใหม่ขายของให้ตลัดไปหลังมาเที่ยวมาเชียงใหม่มาแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของเขาล่าวของแต่ในเชียงใหม่ เขากร่งรวยติดต่อกับฝรั่งต่างประเทศกระทั่งภาษาฝรั่งเศสก็เก่งภาษาจีนก็เก่งสามมืพูดคู่ไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวัสนามีแบ่บพรสวั์มันอยู่ในตัวของคนเองแต่คนอาไม่ต่องตามก็ไม่เป็นไรก็เป็นบุญวัสนาเป็นกฎแห่งการจากการกระทำของเขาเท่านั้นเองนะก็มีประโยชน์ม่ใช่น้อยจะ่ีกัน บางทีเนี่ยเงินคลองทวงไม่ได้บางคงจะไปห น, นี้สินคขาหนี้มืิ้งคนหนึ่นเงเขาจะเป็นทิ้งหรือเขาถลิกจาไม่ได้แน่ลูกสามพนเกหมดแต่ตัวเขาก็ไปม น, นี้ธนาคาบตึก ก, ก็จะดนยึดจะร้องเล่นมาลายไปแล้วจิตใจไม่สบายเลยจิตใจไม่สบายเลย ก็มาที่วัดอัมพวั น, นี้อาตนมาบอกว่าหน้างฟังกรรมฐานาหน่อยเพ่จะจำไปทำอาอาตมาก็ไม่ชราบว่าเขาเป็นคลิตเลยก็บอกว่าเนี่ยโยมรุ่มใจเรื่องอะไรโยมก็บอกว่าดิฉันเนี่ยของโคนสามีภรรยาเนี่ยรุ่มใจเรื่องลูกหนึ่งไม่อยากเรียนหนังสือรุ่มอดีสองเป็นหนี้สินเ้าธนาคามจะยึด แจะกองล้งมละลายแล้วจะทําอย่างไรเรื่องที่สามจะแตะไขยอย่างไรก็ไปไม่ตกไปหาวัดวารามหาหมอดูหมอดูว่าจะรวยเหมือนนั้นจะรวยมื่อนี้ได้ทำํำบุญอย่างนั้นให้ไปซื้ออย่างนี้เลยก็ยิ่งหนักเขาไปอึกเงินทองก็ไเลยหลอไปก็ไปนี่สินเพิ่มเติมอีกจะทําอย่างไรครับหลวงพ่อเอ้ยอาตมาก็ไม่ชาบบอกเขาเป็นคลิกไม่งั้นจะไม่แนะนํา เราบอกโยมเราเอาอย่างนี้ซิเอาอย่างนี้นะสวดพุทธคุณประทานบคูลตามมาาแล ะ, จะเจริญสมาธิบำเพญ็ญจิจภาวนาและแผ่เมตตาครับให้เกรกำในเยงในชาตก่ตอนเราเคยไปโกงเข้ามาตอ้มันหมดกระเทิ้ในชาตินี้เราไม่ได้โกงใครเมืมาก่อนไม่เคยโกงใครเข้ามานะมันอาจจะกลับมาตามเดิม ถ้าเป็นของเราก็คืนมาถ้ามาเชียของเราให้เขาลีบไปเชื้อก็บอกไปอย่างนั้นแล้วก็กลับไปด้วยความดีใจดังนักศึกษามนต์ตายเขาก็ไปสวดมนต์ไหว้พระลูกกลับร้ า, ใายใจดีทั้นที่เรื่องตอนสามีภรรยาแผ่ให้ลูกก่อนลูกเกิดจึมีความสุขความเจริญตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกนะ